ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่ห้าสิบห้าที่คุยกันหลังทำวัดนี่ก็ในหลักการสำคัญสำคัญก็ได้พูดไปคลุมพอสมควรนี่เราได้พูดกันมาเรื่องฐานสินภาวนาจกนกระทั่งมาถึงข้อบภาวนา นิภาวนาเรื่องการพัฒนาก็มาลงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าเน้นสำหรับคารืหัดก็เมตตาภาวนาแต่ว่าภาวนานั้นมันก็กว้างสามารถโยงไปถึงอย่างน้อยในความหมายที่จํากัดเอาภาวนาด้านในก็คือจิตใจและปัญญาตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงกายาภาวนาศีและภาวนาก็าจิตภาวนาและปัญญาภาวนานี้ด้าจิตใจกับด้านปัญญาเราก็ออกไปสู่สมถาวิปัสนานะ ในเรื่องด้านจิตใจอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเมื่อเราพัฒนาทางด้านจิตใจไปมันก็จะมีภาวะของจิตใจอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องความสุขซึ่งมนุษย์เรานี่ก็เป็นยอดปรารถนาและแต่นี้ความสุขในพุทธศาสนานี่ก็จะมีความหมายพิเศษที่ว่าความสุขนั่นก็จะพัฒนาไปพร้อมกับจิตใจและปัญญาที่พัฒนาด้วยและความสุขที่มนุษย์ ได้มีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาชีวิตทางใจิตใจและปัญญาจะเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นมนุษย์ในตอนต้นนี่ความสุขของเขาจะขึ้นต่อสิ่งเสพวัตถุภายนอกถ้าเขาไม่พัฒนาภายในต่อไปเขาจะยิ่งขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกมากขึ้นตามลาดับจนกระทั่งทั้งชีวิตและความสุขของเขานี่ไม่สามารถมีด้ไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองต้องอาศัยความสุขจากวัตถุเสพภายนอก ก็เท่ากับหมดอิสรภาพของชีวิตแต่ในพุทธศาสนานี้ลักษณะทั่วไปก็คือว่าเมื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาขึ้นมานี่เราจะสามารถมีช่องทางที่ได้ความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความสุขจากการอาศัยสิ่งเสพกลับลดน้อยลงเราขึ้นต่อสิ่งเสพน้อยลงในการที่จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึง่งเพราะนั้น เรื่องความสุขก็ควรจะนำมันเน้นกันด้วยทีนี้ขอโยงกลับไปถึงตั้งแต่ต้นที่เคยพูดเรื่องอริยสัจบอกว่าคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาชัดเจนเนี่ยพอมาเห็นหลักอริยสัจเริ่มด้วยทุกเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเราไปเปิดอ n c y c l ป p ดี i a ของฝรั่งเนี่ยก็จะมองพุทธศาสนาว่าโอ้พุทธศาสนานี่เห็นชีวิตเป็นทุกข์มองโลกในแง่ร้ายอะเป็นต้นตงนี้นี มักจะมีความเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างน้อยเราได้ทําความเข้าใจกันแล้วว่าพุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เราต้องไปเกี่ยวข้องตามที่มันเป็นจริงนี้จัดทุก์ไว้เป็นข้อแรกอันนี้เป็นจุดที่มนุษย์จะไปสัมพันธ์กับสิ่งวแวดล้อมในการดําเนินชีวิตของเขาถ้าเขาตั้งท่าทีไม่ถูกขาดปัญญาปับ๊บมันก็จะเป็นเหตุให้ไอ้ทุกข์ที่มีอยู่ในภาวะธรรมชาติเข้ามาเป็นทุกข์ในตัวคนเลย อ่านี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสหน้าที่ต่อทุกไว้แล้วว่าทุกขังปริญญาอางทุกเป็นสิ่งสําหรับกําหนดรู้ทุกเป็นสิ่งสําหรับปริญญาคือรู้เท่าทันรู้ตามสภาวะของมันนั้นพูดง่ายๆก็คือทุกเนี่ยเป็นสิ่งสําหรับปัญญารู้สําหรับเรารู้จักนั้นรู้เท่าทันไม่ใช่สําหรับเป็นทุกนั้นในการศึกษาพุทธศาสนาถ้าในด้านของ ความรู้เรื่องปัญญาแล้วก็รู้เข้าใจเท่าทันทุกมันจะออกมาในรูปธรรมชาติของมันเองหรือออกมาในรูปที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เข้าไปสัมพันธ์กับมันก็ตามนะแต่ว่าในแง่ของการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติพอเราเริ่มปฏิบัติพุทธศาจนานี่มันจะกลายเป็นเรื่องของความสุขศัพนทะ์ในเชิงปฏิบัตินี่เป็นสัพท์ในเชิงของสุขมาก สัตวในเชิงปัญญารู้นี่มีเรื่องทุกข์เพราะว่า น, นั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเพราะว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเกิดดับมันก็อยู่ในภาวะเดิมมันไม่ได้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนมันก็เป็นไปตามสภาวะของมันมันก็สวนทางกับกระแสความยึดมั่นของมนุษย์ยนี้พอพูดถึงแนวทางของการปฏิบัติคือการเอามาใช้ ในการดําเนินชีวิตเนพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องสุขเนี่ยมากเหลือเกินพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้มากนะกระบวนการปฏิบัติที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยอย่างเราบอกว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธินี่สมาธินี่ก็เป็นจุดสําคัญอันหนึ่งคนเราจะมีสมาธิได้นี่สุขต้องเป็นตัวสําคัญจนกระทั่งท่านบอกว่าสุขขาปดปัฏฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปัฏฐาน ปัจจฐานนั่นแปลว่าเหตุใกล้คนเราจะมีสมาธิได้เมื่อจิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นทุกข์จิตมันก็ดิ้นรนสิดิ้นรนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็สงบไม่ลงมันก็พลังโกลน ก, ว, นกวายพรุ่งพลาดฉะนั้นคนที่เป็นทุกข์นี่สมาธิเกิดยากต้องสุขพอสุขมันก็สงบแต่ก็อย่างที่ว่าไอ้สุขการสมาธินี่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันดีไม่ดีมันจะเพลิน สงบนิ่งแล้วเลยเฉยพอเฉยแล้วก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นเข้ากันได้กันเรื่องนี้ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้อยู่แค่นี้ไม่ให้ติดอยู่กับสุขใช่มเพราะฉะนั้นเรามีข้อปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องเยอะเป็นกระบวนการเป็นระบบการฝึกฝนพัฒนามนุษย์มันจะมาอยู่แค่อันเดียวนี้เรื่องสุขก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจอันนี้อย่างในการปฏิบัติที่จเจริญ แสดงถึงการที่พัฒนาแม้แต่เครื่องมือวัดผลการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเรื่องสุขเยอะนะอย่างชุดหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆเวลาพระธเจ้าจัดถึงบุคคลกําลังปฏิบัติธรรมเนี่ยพอปฏิบัติธรรมมาเดินจิตถูกมันจะมีปลาโมดรา่าเริงเบิกบานใจมีปิติอิ่มใจนะปิติความอิ่มใจปรับลืมใจแระบสดสิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุข สุขก็หมายถึงการที่คล่องใจโปร่งใจโล่งไม่มีอะไรมาบีบคั้นติดขัดครับล่องตรงข้ามกับทุกขและสิทธิตเ้าก็สงบเป็นสมาธิพอได้สุขสุกเป็นมาตรฐานจิตเกิดสมาธิสมาธิก็ตั้งมั่นแนว่วแนว่ไม่มีอะไรกวนไม่กระวนกระวายอยู่ตัวพออยู่ตัวดีก็ถ้าใช้เป็นก็เอาสมาธินี้ไปเป็นฐานในการที่ว่าจิตเหมาะกับการใช้งาน พราเป็นจิตที่อยู่ตัวของมันแล้วไม่มีอะไรกวนนะมันก็พร้อมจะใช้งานอะไรก็ได้ตามปรารถนาก็นําจิตนี้ไปใช้งานในการที่ว่าพิจรารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาเนี่ยจุดมุ่งมันจะมาประชิญแล้วนอกจากนั้นแล้วจิตเป็นสมาธิมันก็มีพลังทั้งสงบทั้งมีพลังด้วยก็ไปเอื้อในการที่จิตมันใสมาทํางานในการพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ผลดีเป้ามันก็จะไป ประสานกันสมาธิเป็นฝ่ายสมถะ mm hmm. ก็ไปเข้ากับปัญญาเป็นฝ่ายวิปัสนาทําให้ได้ผลแต่ว่าตอนที่ถึงสมาธิซึ่งเกี่ยวเรื่องสุขด้วยเนี่ยมันก็ต้องระวังเควอย่างที่ว่าถ้าเขวไปก็ไปมัวเพลินกับการฝ่ายหนึ่งก็ใช้พลังจิตที่เป็นสมาธินั้นมุ่งริษปฏิหารเลยเมื่งกันก็ไปสเสวยสุขก็เลยเพลินเกียจคล้านไปเลย ก็เลยจมอยู่นั่นเป็นสิ่งกล่อมไปนะพุะทธศาสนาก็เลยว่าทั้งเห็นคุณค่าของสุขแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ไม่ประมาทระวังโทษที่เกิดจากสุขด้วยเหมือนกันนะฮะต้งระวังทั้งคู่ก็รู้จักใช้นั่นเองอะแต่ว่าในกระบวนการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเยอะเลยเรื่องสุขเนะี่ยอย่างที่ว่าข้อไอ้คุณสมบัติของจิตหประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังไว้เป็นประจำเป็นคุณสมบัติที่ดี ถือว่าปลาโมดราเริงเบิกบานใจปีติอิ่มใจปัสสถิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจสุขคล่องโล่งโปร่งใจนะแล้วก็สมาธิก็สงบแน่วแน่อยู่ตัวไม่มีอะไรกวนได้นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีไว้เป็นประจำแล้วจะทำให้พัฒนาก้าวหน้าในการปฏิบัติ พระเจ้าจะจัดบ่อยธรรมะชุดนเนี้ในกระบวนการปฏิบัติก็เลยมาวัดคนปฏิบัติทำได้ด้วยว่าให้ปฏิบัติไปแล้วมันได้ไหมเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดความผุ่นวายจิตกลายเป็นแทนที่จะปฏิบัติแล้วจิต ด, ดีกลับเป็นจิตบุญห น, นักแสดงว่ามันผิดใช่ไหมมันเป็นเครื่องวัดในตัวเลยแต่ว่าที่พูดในวันนี้มุ่งให้เห็นว่าเรื่องความสุขเนี่ยสําคัญมากในการปฏิบัติเนีย ในแง่ของปัญญารู้จักทุกทุกเป็นสิ่งสําหรับปัญญารู้แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วมันออกเรื่องสุขหละมันจะทุกน้อยลงตามลําดับมันจะสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แห่งหนึ่งบอกถ้ามองเห็นนิพพานเป็นสุขมีทางจเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติถ้าเห็นนิพพานเป็นทุกข์หมดทางว่างั้นตรัสไว้อย่างงั้นเลยนะในพระไตรปิฎกถ้ามองเห็นนิพพานว่าเป็นทุกแล้วก็แสดงว่าไปไม่ได้แลยในการปฏิบัติ ไม่สําเร็จอ้าวเพราะนั้นเรื่องสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญบางทีชาวพุทธนี่มองข้ามไปนเน้นเรื่องทุกข์นะโดยจับผิดแล้วไม่รู้จักหน้าที่ต่อยศสัตว์ข้อหนึ่งคือทุกข์ต้องจําให้แม่นเลยหน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญารู้เท่าทันหมด น, นะแล้วทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้หน้าที่ต่อทุกข์เรามีแต่เรื่องรู้เรื่องปัญญาเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์นะ ถ้าเราไปเป็นทุกข์อะไรแสดงว่าพลาดแล้วนั่นในการปฏิบัตินี่มันมีแต่ต้องหมดทุกข์ทุกข์น้อยลงแล้วก็สุขมากขึ้นจนกระทั่งว่าสุขชนิดไม่มีทุกข์เหลือเลยก็เป็นบรมสุขเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เหลือนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะใช้คาว่าหมดทุกข์แล้วไม่มีทุกข์ก็ไปอนว่าแสดงว่าเป็นภาวะที่สมบูรณ์เพราะว่าสุขโดยทั่วไปเนี่ยมันยังมีทุกข์เหลืออยู่ลึกลงไปก็คือมีทุกข์มีทุกข์แฝง พราะมันทุกหมดจริงๆก็ไปอันว่าไม่ต้องพูดถึงคําว่าสุขนะอันนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องสุขไว้ในมีเยอะแยะหมดนะอย่างในหมวดสองนี่นะสาหรับครือหัดก็เพียงแต่เพียงว่าเป็นสุขของคนที่ควรจะมุ่งหมายควรจะทําให้มีให้เป็นขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะสุขครืหัดสี่ไปดูในพระไตรปิฎกจะตรัสไว้ด้วยว่าควรจะเข้าถึงอยู่เสมอ ที่ว่าหนึ่งสุขจากความมีทรัพย์อัติสุขสองสุขจากการใช้ใจ่ายทรัพย์โภคสุข3อนันตสุขสุขจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็สอนัวัชสุขสุขจากความประพฤติ ท, ที่ไม่มีโทษทั้งกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมที่นี้มาแปลกันว่าสุขจะเกิดจากการงานไม่มีโทษเลยแปลความหมายกันเป็นการทํางานที่ไม่ผิดกฎหมายเลย ไปดูพระไตรปิฎกก็ชัดเลยอานาวัชสุกเกิดจากการกระทําที่ไม่มีโทษคือยังไงคือมีกายากรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริตพระไตรปิฎกอธิบายไว้ชัดไม่ใช่หมายถึงว่าไปประกอบการงานอาชีพหลักสูตรคื อ, อประกอบการาก็นั่นแหละมันยุ่งตอนที่ว่าสมากรรมมันตะทําการงานชอบใช่ไหมก็เข้าใจเป็นโดยประกอบอาชีพการงานสี่ คือำว่าการงานสมัยก่อนหมายถึงการกระทําการกระทําทางกายนี่สัมมาการมุตตะทําการงานชอบหมายถึงอะไรเว้นจากปานาติบาตเว้นจากอัินนาทานเว้นจากการเมสุมิชัดจานถูกไหมครับอ้าวแล้วทำไม น, นี่การงานหรือ <laughs> การงานอะไรการกระทําที่ถูกต้องมันเป็นสำนวนโบราณเราไปหลงเองเราไปนึกว่าคําว่าการงานของท่านหมายถึงปเป็นประกอบอาชีพการงานหมายถึงการกระทำํำ เนี่ยสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษเนี่ยหมายถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุดจริตไายติดเตียนไม่ได้ทั้งกายวัฏจัใจอันนี้เป็นสุขสําหรับการรื้อหัดแต่มันยังมีอีกอย่างในหมวด2พุทธเจ้าตรัสสุขไว้ตั้งกี่คู่เยอะแยะหมดเช่นว่าขีหิสุขปปัจจิตสุขสุขของการรื้อหัดสุขของบัณฑปชิตนีแล้วก็มีกายมาสุขสุขทางกายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะกายมาสุขว่าสุข การไม่มีมีตัดประกามาสุขแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันยังมีทุกข์มีโทษการมาสุขมีเป็นสุขสุขจการามมีข้อดีของกรรมในนาทเรียวกกรรมอัศธาทะของกรรมส่วนดีของกรรมเป็นยังไงแต่ว่ามันมีส่วนเสีย เ, ออเพราะฉะนั้นส่วนเสียอาจจะทําให้เกิดโทษมากมายก็ต้องแก้ไขป้องกันถ้าคนจะเสพกามมีสุขจกักรามก็ต้องระวังโทษจากมันด้วย จะเป็นรุ่มหลงโมเมาแล้วพยายามไม่ประมาทแต่ว่ามันยังมีสุขอื่นที่พัฒนาได้กว่า น, นี้นั้นมีการมาสุขและมีเนคขมสุขนะก็คู่กันเนคขมสุขสุขจากการออกจากกามไม่ต้องอาศัยกามแล้วมีอะไรอีกมีอุปทิศสุขนะสุขของคนมีกิเลสนะเป็นสุขโลกิยะแล้วก็ นิรูปปฏิสุขสุขไม่มีอุปธิสุขแบบโลกุตระเป็นโลกุตระสุขสาสวะสุุสุขที่ยังมีอาสวะอนาสวะสุขสุขที่ไม่มีอาสวะสุขที่มีอาสวะก็ยำทำให้บนเวียนในสังสารวัฏถ้าเป็นอนาสวะสุขสุขที่ทำให้ไม่มาบนเวียนในสังสารวัฏแล้วก็ยังมีอะไรอีกอริยสุข สุขของพระอริยะอนาริยสุขสุขของอนารียชนวางอันนอะแล้วมีอะไรอีกมีสามมิต ส, สุขสุขที่อาศัยอามิตรนะต้องอาศัยยืดรอดต้องอาศัยวัตถุเสพและการนิรามิตรสุขสุขที่จะไม่ต้องอาศัยอามิตรนะไม่ต้องขึ้นต่ออมิตรไม่ต้องมีวัตถุเสพก็มีสุขได้นะมีอะไรอีกมีกายยิกสุข สุขทางกายเจตสิกสุขสูกทางกะยทางใจนะเยอะแยะหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้สาตสุขสุกที่มีความอร่อยแล้วก็อุเบกขาสุกสุขแบบอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นสุขนะอุเบกขาอุเบกขาอย่างในจตุทชานิเป็นอุเบกขาที่มาประสานระหว่างภาวจิตที่มีดุนยภาพกับ เวทนาที่เป็นอุเบกขาด้วยมาประสานกันอุเบกขาเวทนาปกติสําหรับมนุษย์ปุถุชนมันจะมากะโมหะคือมันเพลินๆนะที่เคยเล่าให้ฟังอธิบายคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันเฉยๆเฉยๆมันก็สบายถ้าบอกมันมากะโมหะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระรหันสนี่อุเบกขาของท่านมากะปัญญาตรงข้ามเลย นะแล้วอุเบกขาเวทนาก็จะมากับอุเบกขาฝ่ายสังขารที่เป็นภาวะจิตที่ได้ดุลยภาพเกิดจะปัญญารู้ความจริงเป็นจิตที่ลงตัวเลยนะมีดุลยภาพนะเป็นกลางอันเนี้ยนี่เพียงยกตัวอย่างไว้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้เยอะแยะนะอันนั้นคําว่าสุขนี้มากมายบางทีชาติพูธเองไปปฏิบัติก็ บางทีไปรังเกียจสุขเลยก็มีบางคนไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจไปว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ให้เห็นทุกข์อะไรต่างๆอะไรไปมองในแง่หาทางทําให้ตัวทุกข์ก็ได้เห็นทุกข์ดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทําความเข้าใจจะเทียบกับรัตที่นิครณในพระสูตรหนึ่งชื่อเทวตหาสูตรเคยเล่าให้ฟังแหละในพระไตรปิฎกเล่มสิบี่เป็นสูตรแรกเลย พทะเจ้าตรัสถึงเรื่องลัทธินิครนออก่อนนี้ที่อื่นก็มีเล่าอันนั้นสั้นดีเล่าให้ฟังสะ ก, ก่อนพระเจ้าเคยตรัสบอกว่ามีลทัทธิบางพวกเขาถือว่าสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยทุกขคือลัทธินิครนพรธศาสนาไม่ได้ถือเช่นนั้นนลัทธินิครนเขถือว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ด้วยทุกขน เพราะฉะนั้นเขาจึงประเพณตบะและทีนี้โคลนเนี่ยประเพณตบะนะแกจะทํำทรมานร่างกายอย่างที่ผมเคยเล่าลนะแม้แต่จะโกนผมนี่เขาจะถอนทสิรเส้นเลยนะเอาแหนบถอนทสิรเส้นเจ็บไหมถอนผมทสิรเส้นนี่นะจนหดหัวแหละนะเออแล้วก็มีการทรมานร่างกายในวิธีต่างๆเยอะแยะนะยนี้ เขาบอกว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ต้องด้วยทุกข์เพราะนั้นเขาจึงทรมานร่างกายเพื่อจะได้บรรลุสุขที่แท้จริงนี่ในพุทธศาสนาไม่ไม่ถือว่ามนุษย์จะบรรลุสุขได้ด้วยทุกข์ทุกขขาปฏิปทาทันทาพิญญาทุกขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาพิญญาสุขขาปฏิปฏาทาขิปปาพิญญ า, า, า, ญญามีทั้งเยอะหมายความมนุษย์มีความแตกต่างกันแต่และบุคคลไม่เหมือนกัน ในเชิงข้อปฏิบัติบางคนปฏิบัติยากรู้ช้าบางคนปฏิบัติยากรู้เร็วบางคนปฏิบัติสุขง่ายออรู้ช้าบางคนปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ไหวก็มีแต่นี้เป็นเพียงแยกประเภทบุคคลแต่เอาหลักการในแง่หลักการก็พุทธศาสนาไม่ถือว่าสุขจะต้องบรรลุได้เด็ดทุกสุขก็บรรลุได้ในการทําเหตุแห่งความสุขสิว่างั้นนะเหตุปัจจัยที่ทําให้เป็นสุขซึ่งเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะี ซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวเอาที่นี้มาสู่เทวทฐาสูตรอันนี้จะขยายความเรื่องสุขไม่จำเป็นต้องบรรลุได้ทุกเนี่ยชัดยิ่งขึ้นพระเจ้าเจ้าก็ตรัสบอกว่านี่นะพวกมันมีลัทธิอยู่พวกหนึ่งเขาถือว่าคนเราจะได้สุขได้ทุกขยังไงหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นเพราะกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนเป็นปเุเพกตะเหตุวัด พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าพวกนิครณเนี่ยเขามีความเหม็อนอย่างนี้อันนี้ในเมื่อถือว่าสุขทุกข์จะได้ยังไงมันขึ้นตั้ ก, กรรมที่ทํำมาในชะหัดปางก่อนพวกนิครณก็เลยจะต้องทําให้กรรมไนชาติปางก่อนหรือกรรมเก่านี้หมดสิ้นไปเสียทําไงจะทําให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปก็ทําได้ในการบําเพ็ญตะบะดังนั้นพวกนิครณ ซึ่งปัจจุบันนีก้กศาสนาเฉนเนี่ยก็จะบำเพ็ญตะบะโดยการบำเพ็ญตะบะนั้นก็จะทําให้กรรมเก่าเนี่ยสิ้นไปแล้วก็ไม่ทํากรรมใหม่ทํากรรมเก่าให้สิ้นไปทำไม่ทํากรรมใหม่เมื่อไม่ทำให้ทำเมื่อดำบำเพ็ญตะบะทําทกรรมเก่าให้สิ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อกรรมเก่ามันสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ถูกบังคับเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไอ้ที่เราจะเป็นยังไงไงเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่ามันบังคับตัวเราอยู่ พอบำเพ็ญตบะแล้วทําให้หมดกรรมเก่ากรรมเก่าหมดไปกรรมใหม่ก็ไม่ทําก็ไม่มีอะไรมาบังคับนะเมื่อเราไม่ถูกบังคับนะกรรมสิ้นไปทุกก็สิ้นไปด้วยนะทุกสิ้นเวทนาก็สิ้นไปทุกขก็หมดนะทุกก็ไปอนุ ม, มัตนะินี่คือลทัทธินิครณ น, นะ มองในทัศนะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถือว่าลัินิครตนี้เอาทุกข์มาทับถมตนโดยไม่มีเหตุผล <c oughs> นะนะก็ตัวเองอยู่ๆนะแล้วก็ไปเอาทุกข์มาทับถมนมาปเป็นตบะนะเป็นทุกข์ที่ว่าตัวเองไม่ได้มีถ้าตัวเองมีทุกข์อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วแถมไปเอาทุกข์มาเพิ่มให้ตัวเองไปมาเป็นตบะธรมารร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัดหลัก หลักเรื่องความสุขในพุทธศาสนาหรือเป็นข้อปฏิบัติต่อสุขและทุกนี่สรุปได้เป็นสข้อเด็กนะหนึ่งไม่เอาทุกขับถมตนที่ไม่มีทุกขะหนึ่งแล้วนะหนึ่งไม่เอาทุกขับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกสองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธรรมฉันใช้คําว่าทำไม่กังสุขขังณปริจจชติไม่ละทิ้งสุขที่ชอบธนะรรม 3. ถึงแม้ในสุขที่ชอบทมนั้นก็ไม่สยบไม่ล่มหลงโมเมานี่นเอาแล้วนะสุขที่ชอบทำนั้นหมาเราไม่ละทิง้งแต่ก็ไม่สยบไม่หลงโวเมาในสุขแม้แต่ที่เป็นธรรมนั้ น, นแล้วก็สเมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ทุกหมดสิน้นอันนี้ จะเห็นเป็นลำดับเลยนะฮะขอทวนอีกทีหนึ่งหนึ่งไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์สองไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำสามแม้ในสุขที่ชอบธรรมนั้นก็ไม่สยบลุ่มหลงโมเมาสีเมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปก็ รู้จักปฏิบัติเพื่อให้ทุก์หมดสิ้นไปเสียสี่ขั้นของนิครณ น, นี่เอาทุกทับถนตนที่ไม่มีทุกก็เลยละทุกละทิ้งสุขที่ชอบทำที่ควรจะมีแต่ว่าทีนี้คนที่ได้สุขชอบทำแล้วก็มักสยบลุ่มหลวงซะอีกใช่ไหมก็ติดแล้วก็ไม่กล้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเหตุของทุกยังไม่หมดไปนี่ ไอคนที่มีสุขสุขทั่วไปเนี่ย ย, ยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเมื่อยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์นี่มันก็ทิ้งศักยภาพเชื้อของการที่จะเป็นทุกข์ได้อยู่เพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็ปฏิบัติให้หมดทุกข์ก็คือให้มันสิ้นเหตุของทุกข์ไปซยเลย อ, อันนี้ก็จึงต้องถึงขั้นที่ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาตใจศกขาจนกระทั่งถึงกระบวนการภายในที่มันเป็นสมถาวิปัสสนาให้ปัญญารู้ความจริงของสัจธรรมจนกระทั่งว่า ทุกมันเป็นภาวะอยู่ในธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารมันก็เป็นทุกขตามธรรมชาติไม่เข้ามาเป็นทุก์ในตัวเราจิตก็เป็นอิสระไปได้นี่ก็กำจัดถึงเหตุปัจจัยของทุกเลยก็เป็นอนนัตสี่ขั้นนี่ข้อปฏิบัติต่ตอทุกในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่ไว้นะเป็นหลักที่สำคัญดีเราจะได้มองถูกต้องเมื่อั้นแล้วการปฏิบัติต่อทุกต่อสุขนี่อาจจะพลาดได้ นะหลักใหญ่ที่ว่าเป็นต้นต้นก็คือว่าทุกขังปรญญายังทุกข์ขยัสัตว์เป็นสิ่งสาหรับปัญญารูหน้าอย่าไปเป็นทุกขนะ์นะแล้วก็มาหลักนี้อีกหลักนี้สี่ข้อเนี่ยเอาไว้ได้แล้วช่วยได้เยอะเลยทีนี้เป็นอันว่าพวกนิบคนก็เป็นพวกที่เอาทุกข์มาทับถมตนก็เลยพลอยละทิ้งสุขที่ชอบทมทีนี้คนที่ไม่ละทิ้งสุขบางทีก็ไม่เอา เอาทั้งสุขที่ไม่ชอบทมก็เอาอ น, นันก็พลาดแหละใช่ไหนี่ท่านให้เอาแต่สุขที่ชอบทมแล้วก็สุขที่ชอบทมคนนี่แม้ได้สุขที่ไม่ชอบทมก็หล ง, งมาสุขชอบทมก็หลงอีกแหละหลงหมกมุ่นหมนมเมาก็ไปไม่รอดและเชื้อแห่งทุกขเหตุแห่งทุกที่มีอยู่ก็ไม่แก้ไขดัะนั้นจะต้องก้าวไปให้ครบนี้พอมาในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีปฏิบัติต่อทุกให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นท่าทีต่อทุก์อย่างถูกต้องซึ่งไม่จําเป็นจะต้องไปทําให้ตัวเองทุกข์ด้วยซ้ำนะหนึ่งการปฏิบัติที่บอกว่าจะจกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเลยเนี่ยการปฏิบัติแม้ในข้อสุดท้ายข้อ4ี่ที่สูงสุดเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทุกข์หนึ่งแล้วนะหนึ่งไม่จําเป็นสองเป็นทุกข์มีวิธีปฏิบัติแต่สองในบางกรณีพระเจ้าก็ตรัสว่ามันก็มีอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้อง ฝึกตนพัฒนาตนแล้วจะต้องยอมทุกบ้างในกรณีอย่างนี้ก็คือเพื่อฝึกตนเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็คนเรามันจะเอาอย่างใจตนนี่มันนึกแต่ในแง่ตันหาใช่ไหมจะสนองตันหาตัวเองนี่อันนี้พอไปฝืนตันหาเขา้ามันกลายเป็นทุกข์โดยที่จริงนั้นถ้าคนที่ฝึกแล้วจะไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกนี่ มันมองเห็นเป็นทุกข์ทะานั้นในกรณีนี้ก็ต้องฝึกยอมทุกข์บ้างนั้นการที่ปฏิบัติในระหว่างนั้นการที่ว่าอาจจะต้องมีการทุกข์บ้างนี่ก็มีได้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบบอกในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนการเราจะดัดลูกศรให้ตรงการที่จะดัดลูกศรให้ตรงคือหมายความพัฒนาชีวิตฝึกตนให้ดี ให้เป็นชีวิตทีด่ดีงามสมบูรณ์เป็นชีวิตที่ได้ฝึกฝนพัฒนาดีแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการดัดกันบ้างวางั้นเหมือนกับลูกศรที่จะดัดให้ตรงคนโบราณเขาจะดัดลูกศรเนี่ยเขาใช้ไฟหลดใช่ไเขาเรียกว่าขาผมก็ไม่รู้จักไมเคยเห็นเนี่ยคือเอาลูกศรมาวางบนขาก็คงจะเป็นที่สำหรับตั้งวางลูกศรแล้วก็ เอาไฟลนแล้วก็ดัดบอกว่าเนี่ยเขาจะดัดลูกศรให้ตรงเขาต้องใช้ไฟลนก็เหมือนกับผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อกําจัดเหตุแห่งทุกข์ให้สิน้นก็อาจจะต้องมีการที่มองในแง่ของตัวเองที่เคยมากับการเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสุขหรือตามใจตัวเองแบบนี้นะเมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไป ก็ทำด้วยเจตนาเพื่อฝึกตนเองนะมันก็อาจจะต้องลำบากหรือทุกข์บ้างในกรณีนี้ก็ถือเป็นเรื่องฝึกไปนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาทุกข์มาทับถมตนนะแต่เป็นเรื่องของกระบวนการฝึกซึ่งมันอยู่ในเรื่องของตัวเองที่ว่าเมื่อเจอสภาพอย่างนี้มันจะเอาแต่ใจตัวเองตามสบายในความเคยชินตามอานาจตัณหาหรือกระแสกิเลสก็เลยมองเห็นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นทุกข์ ซึ่งถ้าฝึกตัวเองดีแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรดังนั้นก็จะต้องมีการฝึกกันบ้างถ้ามองความยากลำบากหรือทุกนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองมันก็เป็นขั้นหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติให้ผ่านไปเพื่อจะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี่ให้หลักการทั่วไปก่อนนีพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะต่อไปถึงสุขในระดับต่างๆนะ ว่าคนเหล่านี้สามารถพัฒนาชีวิตให้มีความสุขในลักษณะต่างๆประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างซึ่งที่จริงก็พูดไปเยอะแล้วนะฮะแต่คล้ายๆว่าเอามาพูดเฉพาะในเรื่องสุขกันอีกทีหนะึนะ่งคล้ายๆประมวลจากที่พูดไปแล้วเพราะพูดไปแล้วกระจายอยู่โน่นอยู่นี่ก็วันนี้ก็มีอะไรไหมฮะเฉพาะ สำหรับวันนี้โดยตรงที่เป็นเรื่องคำถามข้อสงสัยถ้าไม่มีก็จะผ่านไปก่อน